ว่าทำสมาธิมันก็ต้องสตินะฮอันดับหนึ่งศรัทธาบิดยา ส, สติสมาธิปัญญาศรัทธานี่เป็นเครื่องเป็นความเชื่อของแต่ละคนถ้าความเชื่อมาก ความเปลี่ยนก็มากถ้าความเชื่อน้อยความเปลี่ยนก็น้อยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเอาศรัทธาขึ้นก่อนศัทธามากตัวเดียวสี่อย่างนั้นไม่มีปัญหานะ่ะ้านั่งตัวตรง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 สติตัวนี้ไม่ได้ทำงานอะไรนะเขาจะนอนนอนไม่ในนอนเฉยๆนะเอาขาคว้แล้วก็เอามือสบายสติตัวนี้เขาไม่ได้ทำงานอะไรเลยงานที่เขาจะทำคือตอนเราเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นเขาขับรถปาดหน้าเรา สติตัวนี้ก็จะมามาเสร็จแล้วเขาก็ไ ป, ประยะที่เขามากับเขาไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติสติตัวนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์เขาจะไม่มาเลยงานเขาน้อยมากส่วนจิตนี่เสพอารมณ์วันละแสนแสนเรื่องยกเว้นเวลาหลับ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 เสพอารมณ์ยิ่งเสพยิ่งหิวยิ่งเสพยิ่งเสียยิ่งเสพยิ่งจะเป็นง่อยจิตสติก็เหมือนกันไม่มีงานทํายิ่งนอนยิ่งเสียพลังจะเป็นง่อยจิตเจ็บอารมณ์จะเป็นง่อยสตินอนอยู่เฉยๆจะเป็นง่อย เคลียร์กิจเจ็บอารมณ์สตินอนอยู่เฉยๆทำยังไงจะให้สองคนนี้มารู้จักกันเอาละงานนี้เกิดปัญหาใจสติเนี่ยจะเอามารักษาใจทำยังไงเขาจะมาหากันได้นี่น่าคิดนะน่าคิด ถ้าผู้ไม่ศึกษาตัวจริงจริงๆอ่ยจะไม่รู้วิธีการที่จะเอาเข้ามาบวกกันน่ะมาอยู่ด้วยกันไม่ยากเลยใครมีใครเรียนหลักสูตรของหลวงพอ่อวิริยังบ้างอ่ะยกมือยกสูงสูง ยกสูงสูงเลยหลวงพ่อวิทยัท่านจะถามว่าใครคือผู้รู้ใช่ไหมแล้วท่านก็ไม่ได้ต่อเติมให้เลยว่าตรงนั้นนะคือผู้รู้ตรงนี้นะคือผู้รู้ท่านก็ไม่ได้ต่อเติมท่านพูดแบบเป็นปัญหากับพวกเราก่อนท่านจะเปิดหลักสูตร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 ส้นทางของคนเป็นพนิพานแล้วนะตอนนี้พวกเรารู้จักผู้รู้หรือยังร่างกายนี้เขาประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ประกอบไปด้วยอายตนะทั้งหกหตาจมูกลิ้นกายใจ ประกอบไปด้วยขันห้ารูปเบทนาสัญญาสังขานบิน ญ, ญาติจิตประกอบด้วยอะไรจิต ค, คือทารู้เฉยเฉยเราทานข้าวเนี่ยเราจะรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มที่ลิ้นใช่ไหม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 ใช่ไหมตาก็เหมือนกันเป็นใหญ่ในการดูรูปหล่อไหมสวยไหมอยู่ตรงนี้เขามีหน้าที่เขาเป็นใหญ่ในการดูรูปเฉยๆสวยหรือไม่สวยเขาไม่รู้สวยหรือสวยสวยหรือหล่อ อ, อยู่ตรงนี้ ครับพอโดยปกติธรรมดาเมืม่ออาจารย์พูดว่ า, าลดค่าทำลายใช้แต่เนี่ยคือความคุ้นเคยความเข้าใจหน่อยครับเพราะเป็พราะหนูความหนูแต่สุดท้ายทุกอย่างก็คือมาอยู่ที่ท่ารู้ใช่ท <นะ S 1> ่ารู้เขาเรียกว่าบิน ญ, ญาณรูปเบทนะสังขารสัญญาสังขารบิญยาณ วิญญาณตัวนี้จะเป็นคลังคลังเก็บเก็บวิญญาณทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายอาไว้ที่วิญญาณตัวเดียวต่อตอนสติกับจิตก่อน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 เอาตรงตรงลิ้นปี่อัตมาตรงลิ้นปี่นะที่เป็นช่องเล็กๆอยู่นี่สีโครงมันสุดแล้วมันก็มีช่องอยู่นิดหนึงอัตมาเอาตรงนี้ไม่ยากเอาสติบวกกับกจิตไม่ยาก คุณลองมองจุดใดจุดหนึ่งเล็กๆ เ, เ, เขาบวกกันแล้วคุณตั้งสติเท่านั้นละจิตจะเสพอารมณ์ที่อยู่ อ, อเมริกาหรือประเทศฝรั่งอังกฤษคุณตั้งสตินี้จิตจะทิ้งอารมณ์นั่งปื้ดมาเลยสติที่คุณตั้งก็ตั้งขึ้นมาแล้วจิตก็เขาตั้งสติปุ๊บเขาบวกกันเชะเลยเอลอง ลองตั้งใจตั้งสติอ่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆตั้งสติเขาจะบวกกันเชื่เลยระยะที่เราตั้งสติอยู่แค่ครึ่งนาทีหรือว่าวินาทีเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องอะไรเลยอันนั้นเขาบวกกันแล้วทีเนี้ย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 มันมีตั้งแต่นอนอยู่เฉยๆแล้วลึกมาใหร้รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ได้ไม่นานเขาก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจิตก็ได้หนทางที่จะออกไปเสียอารมณ์พอเข้าใจไหมพอสติตัวนี้อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงระยะเขาบวกกันอยู่ สติอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงตัวนี้ก็ไปเลยสติพ็ไปอยู่แล้วตั้งไหมมีเครื่องมือเขาเรียกว่าสติระลึกระลึกพอเราตั้งสติปุ๊บเขาก็บวกกันเทแล้วเอามาไว้นี่เลยสติบวกกับจิตกลายเป็นความรู้สึก ให้รู้สึกอยู่ที่ลิ้นตีความรู้สึกตัวเนี้ยจะไม่มีรูปแสงสีเสียงรูปลักษณฐานอะไรเลยเป็นความรู้สึกที่ผู้ปฏิบัติรู้สึกเองเวลามันน้อยนะที่กันแบบสดๆเลยนะตาจอบฟังนะ ผิดตรงไหนด่าเลยอันนี้ชัดไหมโอ้ชัด <S <S เพราะฉะนั้นให้พวกคุณทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะการสําเร็จเป็นพระอรหันต์นี้ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะมันยากตั้งแต่ทําสมาธิทําฌานทำยานให้เกิดนี่แหละการที่จะเป็นพระอรหันต์นี่ไม่จํากัด อธิบุตรเลยนะยืนเดินนั่งนอนไม่สำคัญเขาสลัดชั่วเดียวชั่วเดียวแค่นั้นจบเพราะฉะนั้นสติตัวเนี้ยถ้าคุณขี้เกียจระลึกเขาจะไม่มีพลังคุณระลึกอยู่นั่นแหละระลึกดูความรู้สึกถ้ารู้ว่ามันหายตั้งสติ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 สติกับกจิตนี้เขาจะสะสมพลังขึ้นมาสะสมพลังขึ้นมาแล้วลึกอยู่เรื่อยๆอย่างขี้เกียจระลึกนะแล้วลึกอยู่ยเรื่อยๆแล้วลึกทีนายมองฐานที่ตั้งทันทีเขาก็จะบวกกันเชื้ออยู่นี่แหละเมื่อเขาบวกกันแล้วเรารู้อยู่กับความรู้สึกเมื่อเรารู้อยู่กับความรู้สึก ได้เต็มรูปแบบจิตยึดแย้มที่จะเป็นอารมณ์นี้เขารู้กันเขาจะสติเขาก็จะตัดโชตัดโชะเลยสติเท่านี้อยากขี้เกียจรละลึกระลึกอยู่เรื่อยๆใหม่ๆนี่ระลึกอยู่เรื่อยๆพอเข้าใจไหมตรงนี้ตัวรู้ผู้รู้ก็คือจิตบวกกับสตินี่แหละ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 เมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสติควบคุมเน้วยตั้งสติขึ้นมาสติตั้งขึ้นมาเรื่อยๆเยขาจะมีพลังขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตได้ตรงไหนสังเกตได้ตรงที่ว่าเขาทีเข้าโดยอัตโนมัติเขาจะทีเข้าถ้าเราเล่ลึกอยู่บ่อยๆนี้เขาจะทีเข้าทีเข้าทีเข้าทีเข้า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 เขาจะมาสะสมพลังด้วยการไม่ได้เสีบอารมณ์ถ้าเขาเสีบอารมณ์นี้คือธรรมชาติคือตามยะถากรรมถ้าโดยตัวเองควบคุมปราศจากการเสพอารมณ์ถึงจะเป็นการปลอกกำลังจิตยอย่างถูกต้องนะพอเข้าใจไหม ใครไม่รู้จักความรู้สึกบ้างไหมกิจนี้เขาเสพอารมณ์ยิ่งเสพยิ่งเสียยิ่งเสพ ย, ยิ่งหิวยิ่งเสพ ย, ยิ่งอยากเสพแต่ไม่มีวันอิ่มตัวการเสพอารมณ์ส่วนมากเขาจะเสพตั้งแต่เรื่องบา<ะ>ปใช่ไหมใช่หรือไม่ สมมติว่าโกรธคนใดคนหนึ่งนี่เอามาคิดเรื่องเดียวครึ่งวันมีไห ม, มนี่แะเขาอยู่ด้วยเพราะบาปเพราะละบุญบาปเขาก็อยู่ได้บุญเขาก็อยู่ได้เรื่องเดียวเอามาคิดเป็นพันพั น, พนครั้งก็มีเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้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 ใครจะมาหยุดจิตไม่ให้คิดไม่ได้แต่อัตมาตหยุดมาแล้วหยุดมาแล้วบ้นหนึ่งหนึ่งไม่คิดสักเรื่องก็มีหยุดมาแล้วถึงไดเอามาสอนกันนี่นะถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตั้งสติถ้าเพียงตั้งสติเท่านั้นเราถึงบอกว่าร่างกายเนี่ยสติก็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 เสียบได้เลยถ้าเรารู้อยู่กับความรู้สึกนี้นเขาจะปราศจากอารมณ์นะแต่ไม่ใช่ว่าทำติดครั้งสองครั้งนะทำเป็นหลายวันอาตมานี่ททำอยู่สองสองวันแค่นั้นนะ่ะจบเลยนะแต่พวกคุณจะทำไม่ได้วันหนึ่งหนึ่งนี้เราจะพยายามมองเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้คิด มึงคิดมึงตายมึงมีหน้าที่อยู่ที่ฐานอย่างเดียวเราจี้อยู่สองวันแค่นั้นจบเลยจิตเนี่ยดึงมาตั้งสติแล้วมองที่ฐานอยู่ให้ได้นานๆตั้งสติมองที่ฐานให้อยู่ให้ได้นานๆเรานทำอยู่สองวันจิตนี่ขาดจากอารมณ์ข้างนอกเลยขาด ไม่ขาดเฉยๆนะลักษณะจิตขาดจากอารมณ์ข้า ง, างนอกนี่ขาดแล้วเราะจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาการหดตัวของเขาเนี่เขาคล้ายๆจะบีบคล้ายจะบีบหน้าอกเรารีดหน้าอกเราให้เป็นก้อนหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามามาเป็นหนึ่งมาเป็นหนึ่งอยู่ ฐานที่ตั้งเลยเป็นหนึ่งในฐานที่ตั้งนี้รู้สึกว่านิ่งมากนิ่งขนาดไหนรู้ไหมโยกตัวขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวเลยว่าโยกเอาหน้าผากจุดลงพื้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยจิตที่จะนิ่งร่างกายนี้นิ่งไปหมดเลยนะร่างกายนี่นิ่งตรงเนี้ย โอ้โหมันนิ่งจริงๆนิ่งผิดตัวกติแล้วก็เบาเราจะมารู้ตรงนี้แหละว่าจิตกับอารมณ์มันหนักขนาดไหนเพราะเขาขาดจากอารมณ์ข้างนอกเบาเบาหมดเลยเดินแรงไม่ได้มันจะเหาะจะเฮินไปเลยนะ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 จิตขาดจากอารมณ์สติรบกุปรายมาเป็นไม่ได้เลือลึกเลยกลายมาเป็นสติควบคุมจิต ย, ยิบยบที่จะคิดเขาตาัดโชเอนะตัดโชะเอเลยนะตัดโชเเอเล ย, เลยถ้าเป็นลักษณะนี้เขาเรียก ว, ว่าสติอยู่ในตําแหน่งควบคุมเขาจะแก่ตัวขึ้นไปเป็นสติควบคุม จิตจะออกไม่ได้พอจิตออกไม่ได้สองอีกสองวันต่อมาอาการสัมปชัชญะเกิดขึ้นเลยสัมปชัชญะเนี่ยมันจะหยิบเอาอาการความรู้สึกตัวนี้แหละออกมาแล้วมาเป็นอาการของสัมปชัชญะหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ บ, บให้เรารู้ตัวนี้ก็ไม่มี เราก็ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ไหนพูดนะสติคือความระลึกสัมปัชัญญะคือความรู้ตัวใช่ไ้มรู้ตัวนี้บางคนเข้าใจว่ารู้ในร่างกายของตัวเองทั่วสรรพังร่างกายก็ถือว่าสัมปัชัญญะใช่ไหมรู้ตัว อยู่ชักระยะหนึ่งสามสิบนาทีหรือว่าชั่วโมงก็ถือว่าเป็นสัมปชัญญะใช่ไหมนั่นคืออาการเขาเฉยๆนะช่วครั้งชั่วคราวมันเป็นอาการแต่อาการสัมปชัญญะที่เกิดจากจิตนิ่งจิตเป็นหนึ่งแล้วก็ ถูกผู้เป็นเจ้าของพัฒนาทางด้านสติขึ้นมามีพลังเขาจะมีอาการสัมปชัชญะข้างเกียงปุ๊บปุบปบปบ๊ถ้าอาการตัวนี้เกิดขึ้นพวกคุณอย่าไะอยู่กับความรู้สึกให้มาอยู่กับอาการความสัมปชัชญะทันทีสัมปชัชญะเนี่ยเขาจะทํางานวันเต็มวันวันเต็มวัน ไม่ขาดแม้แต่บินาทีเดียวเตละบันเข้าใจไหมน้อเข้าใจไหมน้อเขาจะทำงานปืด๊ดปืื๊พอเราเป็นหนล้ลมตัวลงจะนอนพอเราจะหลับสัมปชัญญะตัวนี้ดับปื๊เลยนะ่ะตื่นเช้ามาเรารู้ตัวยังไม่ได้อะไรเลยเพียงแค่รู้ตัวว่า ตื่นขึ้นมาแล้วตัวนี้มาก่อนเลยนะฟืบฟืบฟฟืบ ฟ, ฟ, ฟเลยให้เราอยู่กับอาการนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยรื่อ ย, อ ย, อยจนมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นถ้าอาการข้างเคียงเกิดขึ้นแล้วให้พวกคุณไปหาที่นั่งดีๆที่จะไม่มีคนพุ่นผ่าน ที่จะไม่ได้พูดคุยกับใครอาการข้างเคียงคือปลาจกบเกิดมาแล้วหมุนเหมือนพรารามอเตอร์มาติดอยู่ในข้างหลังข้างหน้าจะเพาะจะลอยหมุนถ้ายืนหรือว่าเรานี้กวาดลานบัดอยู่เนาะ เรากรา ด, าดตาเนื้อของเราก็ดูไม่กราดกับใบไม้ตาในของเราก็รู้อยู่กับความรู้สึกถ้าสัมปชัชญะญตัวนี้เกิดขึ้นนะเราจะคุยกับคนเป็นร้อยเป็นพันเขาก็ยังไม่เผลอเราจะคิดอะไรตอบไม่คิดอะไรเขาไม่มีคำ ว, ว่าขาดตัวเนี้ย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 แผ่นดินนิยกเหมือนคลื่นทะเลเลยตอนนั้นยังใหม่นะใหม่สดๆร้อนๆเลยเอเกิดอะไรขึ้นแบบนี้อาการสัมปชัญญะก็ยังปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊อยู่นะแต่อาการข้างเคียงนี้เกิดขึ้นแผ่นดินเหมือนคลื่นทะเลเลยเอา้าวจับไม่ปาด ตั้งดินลงดีๆแล้วก็ยืนตั้งสติดูเอ๊ะทุกอย่างก็เหมือนเดิมอันนี้เกิดจากอาการของภาวนาละมั้งนี่กวาดต่อไปพอวาดต่อไปหมุนทีนี้อา้าวบัณท่าอาจารย์ขานกวาดลานบัดก็ไม่ถึงสิบห้านาทีนะเสร็จเพราะเนื้อทีมันน้อยอ่ะ ตั้งสติดีๆขวานลานมัดให้เสร็จก่อนตั้งสติขวานลานมัดเสร็จแล้วก็มีการฉันน้ำชากาแฟกันนิดหนึ่งเราก็เดินเข้าไปหอากาแฟแกงฉันกาแฟร่างแก้วเสร็จแล้วไปไปบุติไปถึงปุติเอาไมากขวานไปเก็บแล้วก็เลยไปทางจงกลมทางจงกลมมันมี แข่เล็กๆพอนั่งสมาธิได้นี่ต้องนั่งดูอันนี้สักหน่อยเนาะขาดสมาธิเจ็บตัวนี้ฟืดฟืืดเลยฟืดลงไปสุดเป็นสมาธิสว่างโลกขึ้นมาเลยอันนี้ใหม่สดๆเลยนาะยังไม่มีเคยมีสมาธิเลยเพราะฉะนั้นอันเดียวกันกับสาเลยเลย อันเดียวกันเชะเลยเป็นสมาธิปุ๊บอยู่นานไหมนานนะเพราะเราจะมาอยู่ห้าชั่วโมงกว่ามันมีปฏิหารทางจงกรมนี้ยุงไม่ใช่ธรรมดานะยุงนี้ไม่ธรรมดาถ้านั่งอยู่เฉยเฉยมันจะเอาลงหิวเลยนะมันนั้นจิต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 เราก็มาคิดว่าเอออันนี้มันมีเฉพาะนักบวชเหรอเขาว่าไม่ใช่คำตอบเป็นออกมาเลยนะมีอยู่กับทุกเพศทุกวัยอ๋อมีกับทุกเพศทุกวัยมาถึงตรงนี้อาการของจิตเป็นยังไง มาถึงตรงนี้อาการของจิตนี้จะถึงจุดอิ่มตัวปัญญาที่เราใช้อยู่ตั้งแต่เกิดปัญญาตัวนี้จะหายหมดเลยนะหายทิ้งหมดไปเลยไม่เก็บมาคิดอีกจิตจะถึงจุดอิ่มตัวจะไม่คิดเรื่องอะไรเลย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 อาการหนึ่งนะอีกอาการหนึ่งเย็นเย็นสุดนสุดๆเลย <Yeah. S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราขนไหวาหาด้วยอำนาจของกิเลสตันหาอยู่เนี่ยเขาจะลดลดคุณภาพความอยากทั้งหมดหมดทุกอย่างที่เราเคยอยาก เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถึงจุดอิ่มตัวแล้วเขาจะเชยเชยโลกอันนี้กายกับ่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยกายกับวรรลุบบนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลย เท่านั้นยังไม่พอนะยังเป็นจุดเปลี่ยนเข็มทิศทางใจความคิดที่เคยคิดนี่หมดจิตเลยจบกันเลยเขาจุดหมุนเข็มทิศเข้าสู่ศีลสู่ธรรมอย่างเดียวหมุนเข็มทิศเข้าหาศีลหาธรรมอย่างเดียวนี่มาก กิจนิ่งนี่โอ้โหต้าหาที่เปรียบให้คุณไม่ได้นะูปดิง่งเคยเห็นลูกดิ่งไหมใครรู้จักรูปดิง่งลูกดิ่งที่เราดิ่งลงไปที่จะเอาจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางถูกต้องอถ้าลูกดิ่งไม่นิ่งเราจะ เอาจุดไม่ได้ใช่ไหมลูกดิ่งนี้ยังอายนะลูกดิ่งที่จะเอาจุดที่เราต้องการน่ะโอ้โหมันนิ่งจริงๆรินิ่งจิตอย่างเดียวไม่พอนะกายนี่นิ่งไป็นวยตรงไม่โเลยกระดูกกระดิงนี้แทบไม่รู้สึกตัวนะ ขอโทษทีเดินไปบินดาบัดในยกเท่าสูงไม่ได้เลยไอ้ที่เนินเล็กๆที่เคยเดินทุกวันนะระวังเดินระวังก้าวสูงไม่ได้มันจะลอยไปเลยก้าวสูงไม่ได้ต้องค่อยๆเดินเข้าไปถึงหมู่บ้านนี้โอ้โหเหมือนบ้านล้างเมืองล้างไปหมดเงียบสะเด็ดไปหมด บางเด็กวันเราออกมาบินธบัตรรถแทบจะจนเราตายวันนี้รถมันไปไหนหมดต้องไม่ยืนตั้งสติดูรถก็เหมือนเดิมแต่จิตของเรามันเป็นสมาธิต่างหาเหมือนบ้านรางเมืองร้างไปเลยสติตัวเนี้ยเขาจะกลายไปเป็นสติควบคุม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 คิดจบแล้วจบเลยจบปุ๊บเขาก็หมดตัวเข้ามาอยู่นี้ทันทีเขาไม่ต่อไม่เติมไม่มีเรื่องอะไรที่จะมไม่มีเยือย่อใแยะฟันเฟืฟ้อกันเหมือนแต่ก่อนนะฟันเฟือกกันเหมือนแต่ก่อนจบเลยและญาติที่มันขาดจากอารมณ์ข้างนอกเราก็ไม่รู้ไงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น เราก็ส่งไปหาพ่อเราที่อุดรไปชักระยะหนึ่งมันก็แวบเข้ามาเนี่ยแวบเข้ามานิ่งแบบอยู่เฉ ย, เ, ฉยเราปฏิบัติอยู่สองวันจิตมาอยู่สองวันอยัยตนะเกิดขึ้นสองวันจิตเป็นสมาธิทั้งทั้งนี้เราไม่รู้เลยนะนี่นะความรู้สึกนี้เราก็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 เราไปอยู่ในห้องหนังสือสองครั้งท่านก็มาเจอสองครั้งพอดีครั้งที่สองนี้หนังสือลงปูดุลเล่มเล็กๆอ่ะติดมือเราออกออจากห้องไปเอาออกครั้งที่สองนี่เป็นล็อกห้องหนังสือเลยนะ่ะเออตรงนี้ถ้าจะไม่ใช่แล้วละ่ะถ้าใช่เป็นคงไม่ห้ามก็เอาหนังสือลงปูด่ดุลที่ติดมือไป เขียนคำคมเฉยๆหน้าละสองบรรทัดหน้าที่หนึ่งบอกว่าจิตส่งออกภายนอกเป็นสมุทยัยจิตถักถูกควบคุมอยู่ภายในเป็นมรรคเรียกคมีนน ห, นหน้าละสองบรรทัดหน้าต่อไปการภาวนาก็คือการดูจิต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 ของธรรมกายเอ้เอาดวงแก้วมาใบนี้ถ้าเรามองดวงแก้วมันก็จะบวกกันแล้วก็จะเป็นความรู้สึกมาทดลองหนูทดลองดูอ่าใช่ใช่แล้วทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตรงที่ว่าเรากำหนดเป็นดวงแก้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ถึงสิบนาทีดวงแก้วนี้ก็จะหายไป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 ตั้งเป็นความรู้สึกขึ้นมาเองไม่มีรูปลักษณ์ต่างแสงสีเสียงแนวความรู้สึกรู้อยู่ในสิ่งที่ไม่มีอะไรละ่ะแต่เป็นความรู้สึกชัดไหมตาจกครับเบ้หน่อย <c oughs> นะฮะไม่ว่างความรู้สึกจะไม่ว่างจากใครเลย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 คนที่ไม่เข้าใจก็จะได้รู้เพิ่มเติมกันขึ้นครับก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับเพราะว่าทินาโอทางชมรมพุทธแหล่งที่พอาจารย์กล่าวถึงนี้บ่อยๆก็คือพระจอกนะครับหรือพิจจอกที่อัดกล่อมเลิกนะครับท่านก็เดินมาเส้นทางนี้เขาเป็นเดินตามแนวทางปฏิบัติของท่านพระอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปที่มาที่ชมรมจนวันวันหนึ่ง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 ธรรมะตัวนี้หละคือการส่งไว้ซึ่งพระธรรมถ้าจิตใจของพวกเราไม่มีธรรมธรรมนั้นเริ่มจกหายไปจากรูปนี้สมค่ะสมมติว่าเราเดินอยู่เราเราไม่ต้องรู้ถาว่าเราเดินแต่ว่ารู้รู้สึกไปตรงนี้เราไม่ได้เน้นสิ่งอื่นนะคุณกาย จะยืนเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของกายกิริยาของจิตใจคือรู้สึกอยู่เข้าใจัหมคุณเดินจงกรมนี้คุณไม่ต้องไปซ้ายกว่าขวาซ้ายซ้ายวาอะไรอะคุณอยู่กับความรู้สึกคุณขับรถอยู่คุณทำงานอะไรอยู่ความรู้สึกของคุณเนี้ยอย่าให้ขาดคุณทำงานไปทำงานไป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 น, นีมันจะมาอารมณ์ภายนอกมันจะ ไ, ไม่รับ เ, เมถ้าคุณมีสติควบคุมอยู่อารมณ์ข้างนอกเข้าไม่ได้เลยถ้าทั้งสติทั้งจิตพร้อมกันเลยถ้านั่งไปนั่งไปสติป อ, อนเราไม่รู้ตัวว่ามันออกไปจะมารู้สึกตอนที่มันเป็นเรื่อง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 มันใช้เวลาไม่นานนะการที่จะเป็นสมาธิใช้เวลาไม่นานมันจะมีการแทรกขึ้นมาเรื่องชาเรื่องยานนี้ทำไมเราไม่พูดเราไม่พูดกลัวปุนกลัวพวกคุณจะสับสนขอให้สมาธิมันเกิดขึ้นก่อนเรื่องชาเรื่องยานขอให้สมาธิมันเกิดขึ้นก่อน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 เราอยากเน้นพื้นฐานให้มันสมบูรณ์กันหลายๆายคนก่อนค่อยมาคุยกันอีกทีหลังจิตของเราจิตถ้าทำวิธีนี้จิตมันจะไม่เกิดนิมิตนะไม่ให้นั่งนานนี้เพราะอะไรกลัวพวกคุณจะเกิดนิมิตเกิดนิมิตแล้วไปจิตนิมิตตายเลยนั่งสามสิบนาทีหรือว่ายี่สิบนาทีนี้ไม่เกิด ไม่เกิดหยุดลงเป็นสมาธิก็ไม่ใช่รออยู่ระดับใดระดับหนึ่งนะครนี้การสมาธิก็ไม่หยุดอุปจาระสมาธิที่ก็ไม่หยุดเขาจะพื้นลงไปอัปนาทีเดียวเลยถอนออกมาอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่พวกคุณท่านอาจารย์ขานท่านก็เตือนมาเหมือนกันนะบอกว่าโอ้ลูกศิธ์ลูกหาท่าน เป็นผู้หญิงมึงก็ยิ่งบอก ย, ยิ่งเตือนกันญาตินะถ้ามันติดนิมิตแล้วมันไม่ฟังเราหรอกวันวันมันจะมันจะเล่นนิมิตอย่างเดียวเล่นนิมิตนี่เสียเวลาเสียแคบจะเสียกูเสียคนนือพวกคุณเราที่ไม่อยากให้พวกคุณเห็นหน้ามันเลยไม่ยากถ้าพวกคุณอยากดูความละเอียดของใจ พอจิตของเราลงเป็นสมาธิลักษณะที่แบบพูดเดียวเลยเนี่ยถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาบริกรรมพุทโธอีกนะฝึกบริกรรมพุทโธฝึกบริกรรมพุทโธแล้วมาฝึกดูลมหายใจจิตมันไปยังไงแต่ละรละดลลับอันนี้เรารู้หมดนะเราสอนให้พวกคุณได้หมดไม่ว่าจะบริกรรมพุทโธไม่ว่าจะดูลมหายใจแต่สิ่งที่ง่าที่สุดแล้วก็เร็วที่สุด คือรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่เนี่เร็วถ้าพวกคุณไม่ทิ้งเนะ่ะพวกคุณกำหนดพยายามให้เป็นดาวกระจายให้มีเช้ามีสายมีบ่ายมีค่ำไม่ใช่ว่ากระจุกเดียวลักษณะปฏิบัติสามสิบนาทีจบอันนี้ไม่ค่อยดี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 ร่างกายก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟ ป, ประกอบไปด้วยอายัญตนะทั้งหกอายัญตนะภายในกับภายนอกเจอกันเกิดความเป็นบิน ญ, ญาณจากอายัญตนะก็มามีขันห้ารูปเบทนาสยาขารบิน ญ, ญาณแข่นเนี่ยมีจิตกับสติจิตกับสติถ้าเขาควบคุมกันได้ จิตก็จะเป็นสมาธิสติก็จะกลายไปเป็นมหาสติมหาปัญญาจิตก็จะหมุนเข้าสู่ความเป็นมิจฉสนารู้จริงเห็นจริงด้วยอานาจของความเป็นสมาธิหนุนจิตให้เกิดปัญญาธรรมปัญญาธรรมก็เหมือนเราเหมือนโดนอะ่ะมันจะ ส่องร่างกายของเราจิตนี้เหมือนจอไปเห็นตับไตใช่พุงมันก็จะขึ้นจอนี่ใช่ไหมปัญญานี่มันก็หมุนกว่าจะถึงตรงนั้นมันก็จังเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วพวกเรามีหน้าที่ดูอยู่เฉยเฉยเขาจะทำงานของเขาเองเหมือนเรากำหนด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 ถ้าวิปัสนาติดท้ายด้วยยานวิปาาัสนาญาณถึงจะทำงานได้สั้นๆเนื้อๆในวออันนี้นะใครมีความคิดมีคำถามอะไรไหมอันนี้ประโยชน์ของพวกคุณนะนช่ให้เราเก็บเอาไม่ถึงอันนี้คือยังไม่ได้เดิน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 สติที่จะไปเห็นจริงไม่ใช่ปัญญาที่จะเข้าไปรู้จริงถึงได้เพิ่มเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของสติด้วยการทําสมาธิสมาธิคือเครื่องหนุนของปัญญาสมาธิเป็นเรือนเพระชําปัญญาธรรม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 เอาความรู้ของท่านที่เกิดขึ้นจากความเป็นสมาธินี่เข้าสู่สนามความรู้จริงพวกคุณเรียนจบมหาลัยหรือว่าบัรดอกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้เข้าไปสนามความรู้จริงเห็นจริงเกิดไหมไม่เกิดเพราะบังคนรละแขนงไงแขนงตัวเนี้ยมันเพิ่มเข้ามาพิเศษหน่อยคือคือความเป็นสมาธิเนี่ย มันเพิ่มจากความรู้ของพวกเราไปเรียนนี้คือความอาศัยความเป็นสมาธิมันถึงจเก้าเข้าไปได้พวกภาวนานันเน่ะเขาเรียกว่าคนไหนกำลังเริ่มภาวนาคนนั้นแหละกาลังก้าวเข้าสู่โลกของความเป็นบิ ญ, ญาติโลกของความไม่มีตัวตน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 แล้วก็คุณรอกไกลร่างกายอันนี้เขาไม่ฟังเรานะคุณอย่าประมาทนะเกิดนอนคืนนี้เช้ามาลุกไม่ได้อะอะไรจะเกิดขึ้นต้องในต้มข้าวมาป้อนใช่ไหมอย่าไปเชื่อเขามากนะร่างกายเนี้ยคนดีๆขาเตกขาเสียไปก็เยอะนะ คนดีๆขาดสติทั้งสติทั้งปัญญาขาดเบื่อๆมาปก็เยอะแยะไหนจะเหมาให้คุณยังเชื่ออยู่เหรอยุงตัวเล็กๆมาจิ้มเข้าไปนิดเดียวมันเจ็บมากอเ น, นี่ยคุณยังเชื่ออยู่เหรอแล้วพวกเราเชื่อตัวเองว่าจะอยู่ได้ไปได้อีกกี่ชั่วโมงอ่ะ พวกคุณเชื่อตัวเองว่าจะไปได้อีกกี่ชั่วโมงไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เราเห็นบีบแบบเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทคนอยู่ในโรงพยาบาลกองมาเลินเทนทึกเลยหนังตาของอาตมามันก็ไม่เที่ยงเนาะมันตกลงมาบังลู ก, กตา วันนั้นพอเอาไปปาดหนังตาเย็บขึ้นใหม่ถึงไปเห็นคนอยู่ในโรงพยาบาลโอ้โหเมื่อขนาดนี้เลยเหรอทางอีสานแห่บุญพระเวทก็ไม่เท่าคนอยู่ในโรงพยาบาลตึมเลยโอ้โหโมันขนาดนี้นั่นคือความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ทั้งๆ ท, ที่เขาเป็นปกติแต่เราเข้าใจเขาไม่แต่ความเข้าใจของเราว่าเขาไม่เป็นปกติทิ้งได้เข้าไปโรงพยาบาลมีอะไรไหมวิธีนี้พวกคุณจำให้ดีแล้วกว็เอาไปทำนะเราทำได้ผลมาแล้วไม่ใช่ว่าเราบุก ป, ป่าพาลวงมาพูดให้พวกคุณ ต้มจุนกันหลอกลวงกันไม่ใช่นะหนทางที่เราผ่านออกมาแบบสดสดร้อนๆเลยนะ่ะนี่นะเราเออกมาพูดกับพวกคุณนี่นะถ้าเราไม่มีข้างในเราพูดไม่เป็นหรอกอันนี้ข้างในสั่งให้พูดออกมานะไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดแบบอ่านหนังสือมาพูดก็ไม่ใช่หลวงปู่ ม, มั่นองเดียวเท่านั้น ที่อุบัติขึ้นมาแล้วพาลูกศิษย์ลูกหาศึกษาพระไตรปิฎกฉบับจริงประเด็นเก้านี้ศึกษาพระไตรปิฎกฉบับพรอมนะ่ะนั่นฉบับพรอมนั้นเต็มตู้น่้เต็มตู้นะั้นฉบับพรอมนะั้นนั่นฉบับจริงมีกายกับใจนี่นะ่ะหลวงปู่มั่นบอกให้เราศึกษาพระไตรปิฎก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 แต่เขาเอาความโลภความโกรธความหลงไปซ่อนไว้ที่ไหนเขาเงียบสบายเลยนะเดี๋ยวนี้นะจิตเนี่ยเป็นคนที่จะออกมารับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพระจาบาศอาฆาตจองเวรเขาจะเป็นตัวแสดงออกมาจากข้างในนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาทำไมไม่แสดงเหตุปัใจไม่พอ ถ้ามีคนมาตบหน้าเราเดี๋ยวนี้เอาออกมาเลยหนะเป็นคนละท่าคนละตัวเลยนะมึงเหรอเอาแล้วเนี่ยให้ศึกษาให้ละเอียดแต่เรื่องจิตใจถ้าศึกษาไม่ละเอียดแล้วมันจะพาเราไปลงนรกนะจะบอกให้คนจะได้ดีก็เพราะจิตใสสะาคนจะได้ไม่ดีก็เพราะไม่บำรุงรักษาใจ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 พระพุทธเจ้าวบินธบาตเศรษฐีคนนี้ไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาราชาพราหมณ์เนะพระพุทธเจ้าไวบินธบาตก็อโอ้สมณะหัวรถนี่มาอีกแล้วการงานก็ไม่ทำตื่นเชา้ามามีหน้าที่เอาบอกกับป๋เล็กมาขอข้าวไปกินมาทำไมไป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 ว่าพระพุทเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพูดเรื่อยเปือ่อยไปไม่ได้พูดเรื่อยเปื่อยนะหมาตัวนี้นะคือราชาพราหมณ์ถ้าไม่เชื่อก็ให้มันาพาไปดูคุมสมบัติที่มันเคยฝังไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์สิลูกชายเศรษฐีก็พาหมาไปเลยหมาก็ไปตะกุยที่ไหนเขาก็ขุดลงตรงนั้นอ่ะ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 คุณเคยมีการแสดงตนว่าค่านี้ยหละดีกว่าคนอื่นไหมนั่นล่ะนั่นะคือความเสียของชีวิตยุ่ง ย, ยินนิดๆหน่อยๆความพอใจความไม่พอใจกลายเป็นการตาหนิติเตียนความไม่ปฏิบัติตนไม่ถูกใจคนอื่นกลายเป็นการด่าเขาในใจ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 จิตใจมาถึงตรงนี้พวกนี้จะเข้าทำงานในใจเราไม่ได้ข อ, อโอกาสครับผมไม่เข้าใจอย่างนึงครับกผมเข้าใจว่าปกติจิตเขาจะมีมีการการจิตอยู่เสมอแต่ท่านบอกว่าเราสามารถควบคุมจิตให้คิดได้ผ ม, มเข้าใจคนระับ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 เขาท่องเที่ยวได้ไกลามากยากที่ผู้จะรู้จักเขาอันนี้เรียนเรื่องจิตกับสติมาโดยตรงเรียนที่ไหนนี่มหาลัยนี่มหาลัยเนี่ย อ, อารมณ์เวลาทานควบคุมแค่บางทีแกไม่ออกว่าแต่อารมณ์เนี่ยมันชอบจะมาเป็นราทุกีเพราะว่าิงเราไม่ไม่ง่ายง่ายง่ายง่ายถ้ารู้สึกว่าอารมณ์นี้เขาจะมีอยู่สี่อารมณ์ที่หนึ่งคืออารมณ์ตามธรรมชาติใช่เรียกว่าอารมณ์เขาเสอยู่เดี๋ยวนี้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 ทำความรู้สึกอยู่ภายในว่าอยู่นะอยู่แน่นะไม่ได้ไปไหนนะอยู่นะอยู่รู้สึกอยู่รู้อยู่รู้อยู่ตัวเดียวอยู่กับตัวเดียวจนเป็นสมาธิออา อย่าให้มันเกิดดับเองเราดับเองเลยมต้องดูมันใช่ครับตั้งสติเราบอกเลยตั้งสติมองความรู้สึกถ้าสติมีความรู้สึกชัดเจนอารมณ์นี้จะตกไปเอง ม, เวว ม, มันไม่เข้ามาไม่ได้ถ้าเรามีสติอยู่มันเข้ามาไม่ได้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 ซึ่งมันเป็นช่วงบุคคลนะครับที่พระอาจารย์นรุธท่านบอกว่าถ้าหิวเราก็ต้องกินเองถ้าอิ่มเราก็จะรู้เองเพรา ะ, ะนั้นเป็นการรู้เฉพาะบุคคลนะครับก็ลองฟังดูนะครับและสามารถจเจริญสติพร้อมกับการทำงานรึกการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้จนมาถึงวันนี้นครับ กับการนุมัติการผู้อาวุโสครับการนมัติการครูบาของรูปแล้วก็ญาติที่สำคันครับ <c oughs> ผมชื่อจอกนะครับชื่อเล่นนะครับจริงชื่ออัดของเลิศผมก็ปฏิบัติตามแนวทาองผู้อาจารย์เนี่ยนะครับรู้อยู่รู้อยู่เข้าไปข้างไหนนะฮะร ะ, ะลึกสบายเมื่อก่อ น, นก็ทําให้เป็นพอผมก็ชอบทำธ مار ที่มาจนเมื่อวันที่ยี่สเกเมษาสองห้าหกหกตัวผู้รู้เนี่ยเขาดีขึ้นมา ให้ผมได้เห็นนะครับขณะที่ผมกำลังจะกินกาแฟ mm. ผมย้อมนิดนึงพอรู้เอ้าวเขาบอกเขาอยู่ตรงเนี้ยทําไม่เลยไปไหนเลยแล้วเราไปดูไหนโอ้โหตรงกับผ้าจานเลยดีกว่างน้นอกรู้อยู่าตั้งแต่นั้นผมก็รู้อยู่มาตลอดรู้อยู่คือคือตอนที่ผมรู้เนี่ยผมไม่ได้ทําสมาธิเลยนะผมลงมาจากห้องพระสวดมนต์ทำสมาธิแล้วเรียบร้อยลงมาจากห้องพระนะครับแต่ว่า่ีกว่างี่ว่าผมนะี่ยกำหนดกําหนดติดไว้ตรงเนี้ยตลอดผมจะมีความรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยตลอด ตลอดเวลเลยตลอดทุกทุกครั้งเลย ท, ท, ที่ที่มีความรู้สึกที่ที่เราเลืกได้ผมก็จะทําพอรู้สึกเจ็บปุ๊บตอนมิถฉนาไปกราบเรียนพระอาจารย์อาจารย์ก็บอกเออใช่อะไรเงี้ยรู้ ร, รู้ใช่เลยอยู่ตรงนี้แหละเสร็จปุ๊บแต่นี้ว่าทําทไมไม่ได้อีทีอาจารย์บอกว่าสติเรายังอ่อนเนาะต้องมีสติตั้งแต่นั้นนะผมมาผมก็ เ, เริ่มทําตั้งแต่ตื่นนอนเลยพอตื่นมาปุ๊บผมก็จับเลย จากความรู้สึกไว้ที่หน้าอกเลยใส่แปรงพันล้างหน้าอะไรก็รู้ว่าล้างหน้าแต่ก็พอนั่นงเสร็จปุ๊บ ก, ก็มารู้ตัวรู้สึกรู้สึกขับรถมาทํางานผมผมเพิ่งจะกเกษียณเมื่อเมือม่อตุลาเมือ่อต้นตุลาเนี่ยขับรถมาทํางานก็ขับมาก็มีความรู้รู้สึกตัวว่าขับรถมาแต่พอพอเราจอดรถได้เรียบร้อยปุ๊บเราจะเดินปุ๊บเราก็กําหนดจะพูดโพลก็ได้ก็ได้แต่ขอให้มีให้ระลึกอยู่เข้าไปทั้ ง, ท, งทั้งในเนี้ยระลึกอยู่ตลอดนะครับ จนผมทำมาจนจ น, จนเรียกว่าพอพอนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นตัวผู้รู้รู้ผู้รู้จนวันที่ยี่บห้าตุลาที่ผ่านมาต้องขอขอเอ่ยนามพระอาจารย์อ่ลสรสชนิโยท่านเจ้า่ารดป่าเหล็กโพนะครับจังหวัดตราท่านมาเทศที่นี่นะครับก็ได้มีการประลบทรรกันผมก็คุยเลยพาผมอ่ะโอรู้เนี่ยผมเห็นแล้วตัวผู้รู้เป็ น, นยังงี้ท่านก็สะกิดมาคำานึงว่า ยมดูดีๆนะตัวผู้รู้ก็ไม่ใช่เรานะผมจะอึกเลยแล้วทำไมตัวผู้รู้ไม่ใช่เราอะ่ะถันผู้รู้ว่าเคยคุยกับเราเขาคุยได้นะครับตัวผู้รู้เนี่ยถ้าใครได้เห็นว่าคุยได้เขาสัมผัสได้นครเขารู้ได้ด้วยอะไรจะเกิดขึ้นเขารู้ได้ความความความที่เขารู้้างในเนี่ยนะครับแต่ว่าบางคนน่ยถ้ารู้มากมาปุ๊บจะติดนะครับผมก็พยายามไม่ถามไม่เอานะครับผมก็คุยพอวันนั้นเสร็จปุ๊บไปส่งท่านขึ้นรถท่านเทศเสร็จสงท่านท่านก็สะกิดอีก โยมโยมไปดูดีๆนะโยมมาไก่แล้วนะตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เรานะเราอเป็นคนรู้นะผู้รู้เขารู้อิสระนะเขาเหนือเราขึ้าไปอีกนะโอ้โหเท่านั้นนหะครับตั้งแต่วันที่ยี่บห้าตุลาสองห้าหกเจ็ดจนถึงวันที่สิบสี่ของพระอาจารย์เร็วสองวันแต่รูกสิษยอย่างผมยี่สิบวันยี่สิบวันกว่าจะมาจะมาตัวผู้รู้เนี่ยกระเด็นออกนะครับ ผมตั้งอั น, นารผมเลยตั้งบัญิธรรมผมจะอยู่กับตรงเนี้ยตลอดเพอเอผมกเกษียนแล้วผมอยู่กับตรงนี้ตลอดทํางานบ้านอะไรไปผมก็ลุกๆอยู่ลุกๆอยู่ทางานบ้านก็รู้มันก็เหมือนมีคนมารู้เราทั้งหมดเลยทําอะไรก็รู้หมดอาบน้ำมาถ้าทําอะไรกินข้าวเขารู้หมดเห็นแล้วหมดเฮ้ยมันหมือนมีคนรู้ผมก็รู้ดูดูดูๆๆไปจนวันที่สิบสี่สิบสี่มิถุนาที่ผ่านมานครับตอนปีสี่ ผมตื่นมาเสร็จปุ๊บผมตื่นตีสามตีห้าดูมือถือสอบตีสามตีห้าก็เลไปเข้าห้องน้ําแต่ช่วงยังหวะที่นั่งอ่ะนั่งบนเตียงเนี่ยจิตมันหมุนผมรู้สึกว่ามันหมุนเฮ้ย hey, เราไปโลกน้ําในหูหรือเปล่าน้ําในหูมันต้องหมุนบนหัวหมุนบ้านหมุนผมไม่ใช่มั้งเอาไปอะไรลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันพอ ต, ตอนล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยมันยิงย่งจะหมุนนเร็วขึ้นผมเห้ยบรรยากาศแล้วพระอาจารย์บอกว่าถ้า ตัวโค้งหรือตัวโยกหรือติ๊บหมุนเนี่ยให้รีบหาที่นั่งสมาธิผมก็ไปเลยกลับเข้าไปนั่งที่เตียงนอ น, นครับนั่งสมาธิเลยโอนั่งสมาธิยังไม่ทันมือซ้อนกันไม่เท่าไหร่เลยครับหมุนเร็วมากหมุนแรงมากหมุนหมุนหมุนจนมันทะลุเนี่ยความรูนน้สึกนะครับเขาวิ่งทะลุผ่านลําคอเนียขึ้นมาบนหัวพอหลบหลบมาปุ๊บผมถามว่าอะไรเขาบอกนี่แหละจิตที่เป็นอิสระไม่ข่องเกี่ยวกับ ไอ้นี่แหละพอร่างกายแล้วเขาก็จะดีดผู้เวทนาสัญญาสังขารออกมากองหนึง่งซ้ายมือแล้วก็ดีดวิญญาณออกมากองหนึง่งให้เห็นแล้วก็ดีดตัวผู้รู้่ไอ้สึกที่รู้ว่ารู้รู้จริงวก็ของเรานะ่ะไม่ใช่ละมันเป็นรู้ของสังขารลีดมาสามกองผมบอกเฮ้ยนี่มันอะไรเขาบอกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเขาอิสระแล้วเขาหน่วงตรงนี้พอดีผมเมื่อวันมิถุนาผมไปกราบพระอาจารย์เสร็จพองขากลับอะ ก็มีครูแดงอยู่คนหนึ่งครูแดงเนี่ยท่านก็เป็นท่านกับบรรลุธรรมแล้วท่านเป็นลูกติษย์ข อ, อาจารย์ผมว่าคุยกันได้คุยกันตลอดคุยกันเสร็จปุ๊บก็กลับครูแดงบอกว่าจ่อเวละนั่งสมาธิเนี่ยระหว่างนิมิตนะผมมันก็ไปคิดตรงนั้นเพราะว่าาที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นนิมิตนิมิตมาหลอกเฮไม่ได้เว้ต้องถอนแต่ยังถอนไม่ได้นะตอนนั้นยังมีความรู้สึกเขายังอยู่บนหัวอยู่ยังหนักอยู่บนหัวลุ ก, ก็ลุกไม่ได้จะถอนก็ถอนไม่ได้เขาก็ให้ดูสามกองเนี้ยวนอยู่เนี้ย 45นาทีที่ผมดูอยู่ตรงนี้นั่งจนผมกั้นใจสลัดออกมาผมป้วงเป็นนิมิตผมก็กลับไปทําไปอาบน้ําไปอะไรเสร็จที่ขับรถมาส่งแฟนส่งแฟนเสร็จก็ไปส่งลูกเสร็จกลับไปบ้านก็ไปนั่งทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปส่งน้ําชามากินจัตลอะที่กินดื่มน้ําชานั้นน่ะตาแนหะไปมองกระเป๋าเดินทางอยู่ว่าจะเดี๋ยวจะไปเก็บกระเป๋าเดินทางมันวางอยู่กลางบ้าน เสร็จปุ๊บมันก็มีเสียงบอกว่าครูกระเป๋าอะเป็นสิ่งที่ถูกมองบอกใช่แล้ใครมองคุยเขานะเขาบอกผมก็บอกว่าตาเนี่ยมองบอกไม่ใช่ตามองเขาเป็นคนมองคนที่หยุดอย่างเงี้ยเป็นคนมองคือจิตอิสระนะเขาเป็นคนมองบอกเฮ้ยใช่แเหรักพักหนึ่งเขาก็เอาเอาผรู้เหมือนตอนที่สี่อะเอารูกเรียนะ น, นาฏย์ทางออกมาเอาอวญยวะออกมาแลา้วเู้รูกมาแล้วเขาก็ระเบิดระเบิดตึมไปครับบนหัวเนี่ยออกไปเลย ดีต่อไปเลยระเบิดระเบิดเสร็จแสงนวลขาวมากเลยแสงแดดจัดๆเนี่ยมองไม่เห็นแสงแดดเห็นแต่แสงเนี่ยขาวนวลแล้วเขาก็เป็นปล่อยกระจายเข้าไปในอากาศหายไปเลยเขาบอกเขาพ้นแล้วเขาไม่อิจฉาแล้วเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับไอ้สามกองนี่แหละเขาบอกแล้วผมถามว่าอ้าวแล้วผมจะอยู่ไงอ่ะผมนั้นอยู่นี่เนี่ยเขาบอกก็อยู่ไปตามเวละตามตามสังขารที่สังขารนั้อยู่นี่แหละก็อยู่ไปแต่เขาไม่ยุ่งเกี่ยว สักพักหนึ่งกายเวลนานิยามต่งางหากก็ระเบิดสิตญาณก็ระเบิดแล้จิตภูมิลก็ระเบิดผมก็นั่งพึง่งงงขนลุกอยู่ น, นั่นนะเอ้อแล้วเราจะอยู่ยังไงนะจิตมันอยู่แล้วจิตที่จิตเวลาเข้าไปเนี่ยนะเขาเหมือนที่พระอาจารย์พูดน่ะเขาปุ๊บแทงขึง้นไปเลยนะเวลาที่เขาจะออกเขามีกําลังอ่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่ยี่บห้าตุลาถึงวันที่สิสี่อ่ะผมไม่ได้ส่งจิตออกนอ ก, นอกเลยผมมาสังเกตผมมาทวนดูอ่ พรผมอยู่กว่าอย่างเนี้ยผมคุ้นคิดอยู่กับว่าตัวผู้รู้อะทําไมไม่ใช่เราแล้วเรามาเนี้ยมันจะแไม่ใช่ผูร้รู้ผมคุ้นคิดอยู่เงี้ยยี่สิบวันผมมาลุ้ยเราไม่ได้ส่งจิตไปคิดอะไรข้างนอกเลยคุยกับเมียคูเสร็จดับคุยเสร็จดั บ, ดบมันก็อยู่ในนี้ตลอดจนผมว่าเขามีกําลังตรงช่วงยี่สิบวันนี่แหละเขาเดินเดินเต็มที่เขาผมไม่ได้ส่งจิตออกไปไหนเลยไม่ได้คิดไปถึงใครไปอะไรเลยแล้วจนผมก็ พอัานเสร็จปุ๊บอ่ยผมนอนไม่ได้อยู่เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงวันที่ยี่บเอ็ดมันไม่หลับจิตมันตื่นพอหัวจะถึงหมอนปุ๊บมันก็เด้งหัวถึงหมอนก็เด้งก็ไม่ให้นอนผมใครใ ห, ใ ห, ให้ให้พิจารณาสามกองเนี้ยพิจารณาพิญญาไปเรื่อยๆจนพอถึงปุ๊บผมอกเดี๋ยววันที่ยี่บสองเนี่ยอาจารย์ตัวพลมาผมจะต้องมาช่วยจมลพุทธทำงานแต่ผมไม่นอนผมจะขับรถมาไงแต่มันไม่เทียนะ ผมไม่เจี่นยนะไม่เทียไม่ไม่รู้สึกว่าง่วงไม่รู้สึกอะไรเลยนะผมกะมาว่าเดี๋ยวผมจะนั่งหลับตอนทําฟังธรรมาพี่ก็ไม่หลับหลับไม่ได้ผมก็ไม่หลับจิตมันตื่นไม่หลับฟังธรรมฟั ง, ฟงพระอาจารย์สวนคนท่านเทศก็ไม่หลับจนท่านมาเทศตอนสุดท้ายเพรว่าได้ยินว่าท่านบอกว่าจิตที่พ้นแล้วอ่ะคือจิตที่เป็นอิสระคือจิตที่พ้นทุกโอ้โตรงกันไปเลยตรงเออมันพ้นงจริงแล้วผมก็ไม่เคยตั้งแต่วันที่สิสี่มาเนี่ย พูดเนี่ยแต่ไม่ใช่ความคิดนะความคิดไม่มีที่จะพูดแล้วพูดกระจบพูดกระดับพูดกระดับมันหายไปเลยอ่ะมันไม่มันไม่กลับเอามาคิดมาทบทลนั่นไอ้บางทีเราพูดมันไม่ใช่เลยไม่มีเลยทิดพูดไม่มีความคิดเน่ยเขาพูดเองครับไม่มีความคิดไม่มีเลยแจะมาพูดไม่ได้คิดไม่ได้คิดมันมันมันไม่ใช่บนนึกเพราะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องนึกก่อนว่าจะใช้คําพูดอะไรให้มันสรุ แต่นี้เขาพูดเขาขึ้นมาขึ้นมาพูดพูดพูดขึ้นมาเฉยๆไม่มีความคิดแม้กระทั่งบางทีพูดกับแฟนที่บ้านก็ไม่มีความคิดพูดเสร็จก็จบผมก็ไปทํางานอื่นผมก็จบผมก็ไม่ทําพูดใครก็พูดกระจบพูดจบคือมันไม่มีตัวกูของกูมาลองรับไม่ว่ากีเลสหน้าไหนเข้ามาไม่ได้เพราะว่าตัวกูของกูมันไม่มีแล้วโรคกรหลมก็ไม่มีไปเดินห้างเนี่ยขอสิ่งที่เคยชอบเนี่ยมันมามันเมินเลยบาบุญมีไหม ไม่มีแล้วครับมันไปมันมันมันนั่นหมดแล้วมันไม่มีอะไรสักอย่างอย่างครับไม่มีเลยไม่มีจริงๆเคยชอบกินปลาหมึกอ่ะเห็นปลาหมึกก็เฉยๆมันเฉยไปเองโดยทีวเฮ้ยชอบไหมเหรอมันไม่มีไม่มีเกิดไม่มีขึ้นเลยครับมันมันมันหายไปเองนั่นไปเองเลย มันไม่มีมันมันเหมือนมันมันมันไม่ทุกอะเพราะเราทําอะไรอยู่เพราะเราเพราะผมไม่ส่งกิตออกไปข้างนอกเลยจนทุกวันนี้จำไหมเนี่ยนั่งฟังอาจารย์อยู่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่นะบางทีผมว่าดูการก็บอกไม่มีอะไรให้ดูแล้วเพราะมันมันไม่มีแล้วแต่แต่มันไม่เคยส่งกิตไปออกนอกเลยนะมันก็อยู่ในในกายนี่ตลอดเลยถึงถึงถึงจะไม่มีแต่มันก็ไม่ได้ส่งไปคิดไปมัง่อไปที่ไหนเลยเราทําอะไรอยู่หนทางมันสมบูรณ์อยู่นะ ครับเนี่แหละครับคือคืออาจจะเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนนะครับสุดทําไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆรู้อยู่ตรกลางนี้ครับรู้แค่นี้เองนิดเดียวเองไม่ได้้านะครับผู้จะบอกอ่ะพวกคุณได้แล้วนี่คุณบอกไม่ยากเมื่อก่อนเออยอมรอบยากแต่ต้องสู้สู้ครับผมดึงมันมาตลอดนะมันคิดไปผมดึงกลับมันคิดไปผมดึงกลับผมดึงกลับอยู่เนี้ยสู้มันสู้ตลอดโชคยังหวาดตั้งแต่ตุลามาโชคดีหน่อยก็ไม่ต้องทํางานแล้ว ก็ทําแค่งานบ้านทําจบก็ดูดูดูดูทำอะไรตอนทุกวันเนี้ยเขารู้ตัวเองเลยว่าจะทําอะไรเหมือนเห็นที่หมดเนี่ยทำจะจิกจะจับอะไรรู้สึกตัวไปหมดทุกอย่างจะกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้ารู้สึกตัวทุกอย่างเออออครับขอบคุณครับเจ้าของสถาน